คำอธิบายเพิ่มเติมโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณสำหรับหมายเหตุในหนังสือท่านรวมไว้ท้ายเล่มนะครับแต่เพื่อความเข้าใจที่ต่อเนื่องจึงขอยกหมายเหตุที่ตรงกับแต่ละส่วนของเนื้อเรื่องนั้นมาไว้ต่อกันเพื่อการฟังที่ต่อเนื่องและเข้าใจได้ตรงกับเนื้อหานั้นๆ น, น, นะครับหมายเหตุ head, ข้อที่1โดยทั่วไปเราก็าเข้าใจกันว่ามนุษย์ประกอบขึ้นด้วยร่างกายคือบอดี้ จิตคือโซลและวิญญาณคือสปิริตตามหลักที่กล่าวไว้ในหนังสือโลกทิปนี้ท่านถือว่าจิตคือโซลและวิญญาณหรือสปิริตมีความหมายไม่เหมือนกันสำหรับคนที่เคยเรียนในทางพุทธศาสนามาและเข้าใจว่าจิตกับวิญญาณมีความหมายเหมือนกันนั้นเมื่อมาพบข้อความในหนังสือนี้ซึ่งกล่าวว่าจิตกับวิญญาณไม่เหมือนกัน ก็ยอมจะเกิดความสงสัยไม่อาจจะตัดสินใจได้ว่าควรจะถือฝ่ายไหนจึงจะถูกต้องเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเห็นเป็นความจำเป็นที่จะต้องอธิบายเพื่อป้องกันความสับสนขอให้สังเกตคำในภาษาอังกฤษซึ่งใช้ไม่เหมือนกันอันที่จริงในที่บางแห่งคำว่า soul และคำว่า spirit อาจจะแปลเหมือนกันได้คือจะแปลว่าจิตหรือวิญญาณ ก็มีความหมายเหมือนกันเป็นในที่นี้ที่ต้องแปลต่างกันก็เพราะในที่นี้มีความหมายไม่เหมือนกันคำว่าโ so ศในหนังสือเล่มนี้ในที่บางแห่งใช้แทนคำว่า mind ก็มีซึ่งหมายถึงความรู้สึกนึกคิดที่แสดงออกมาในชีวิตประจำวันหรือจะหมายถึงจิตร้สำนึกก็ได้และถือว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่ไม่ตาย แต่ก็ต่างกับคําว่าสปิริตเพราะคําว่าสปิริตหมายถึงวิญญาณที่บริสุทธิ์และหมายถึงวิญญาณที่เป็นแกนแท้ของชีวิตซึ่งในเมื่อคนเราได้พยายามปรับปรุงจิตใจให้สะอาดและบริสุทธิ์แล้วก็จะได้พบกับสปิริตของตัวข้อสําคัญที่ควรจะต้องจําก็คือคําว่าสปิริตที่แปลว่าวิญญาณในที่นี้นั้น ท่านถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่รู้จักตายเป็นอมตะเป็นการยืนยันว่าอัตตามีอยู่ซึ่งหลักอันนี้ผิดกับหลักพระพุทธศาสนาที่ถือว่าแม้วิญญาณที่บริสุทธิ์ก็เป็นอนัตตาเพื่อให้เข้าใจหลักตามที่กล่าวไว้ในหนังสือโลกทิพย์ชัดเจนขึ้นจึงของด้วยโปรดนึกถึงหลักคริสตศาสนาซึ่งสอนไว้ว่าสิ่งสาคัญในศาสนานี้ก็คือ พระบิดาพระบุตรและพระจิตหรือพระวิญญาณคําว่าพระจิตหรือพระวิญญาณในที่นี้ตามในคัมภีร์ไบเบิลก็ใช้คําว่าสปิริตหรือ holy ghost เช่นมีข้อความในคัมภีร์ไบเบิลตอนหนึ่งกล่าวว่าคนใดผูกพันกับพระผู้เป็นเจ้าก็มีใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์ฝ่ายวิญญาณในที่นี้ใช้คําว่า Spirit อีประโยคหนึ่งว่าท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตยอยู่ในท่านและซึ่งท่านได้รับมาจากพระเจ้าในที่นี้ใช้คำว่าฮอลิโกสท่านโรเบิร์ตฮิวเบนสันเป็นนักสอนศาสนาคริสเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าเมื่อได้ไปเกิดอยู่ในโลกทิพย์หลักความเชื่อบางอย่างที่เคยยึดมั่นเ ม, เมื่อในสมัยเป็นมนุษย์จะไม่ติดไปด้วย ความเชื่อดั้งเดิมถ้าหากจะมีการเปลี่ยนแปลงก็เพราะได้ไปพบข้อเท็จจริงที่ตรงกันข้ามกับความเชื่อถือดั้งเดิมส่วนหลักอันใดที่ตนเองเคยยึดถือมาอย่างมากและในเมื่อยังไม่พบเหตุผลที่จะมาคัดค้านได้ก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องยึดถือไปตามเดิมโปรดสังเกตข้อความที่ท่านกล่าวว่ามนุษย์ประกอบขึ้นด้วยร่างกายจิตและวิญญาณ ซึ่งสำนวนในภาษาอังกฤษใช้คำว่า if it's commonly understood that man is composed of body, soul, and spirit ในหนังสือโลกทิศทั้งสภาคข้าพเจ้าได้อ่านมาโดยละเอียดแล้วมีสิ่งที่น่านสังเกตอยู่อย่างหนึ่งกล่าวคือแม้ในที่บางแห่งท่านโรเบิร์ตฮิวเบนสันจะปฏิเสธเกี่ยวกับความเชื่อถือในเรื่องพระผู้เป็นเจ้าแต่ก็เป็นการปฏิเสธเฉพาะในส่วนที่ท่านเห็นว่า คนทั้งหลายเข้าใจลักษณะของพระผู้เป็นเจ้าผิดไปแต่ไม่ได้ปฏิเสธว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่มีและไม่ได้ปฏิเสธว่าพระผู้เป็นเจ้าคือสิ่งที่สูงที่สุดท่านยังคงถือว่ามีพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและสิ่งทั้งปวงในโลกแต่ท่านยอมรับเฉพาะแต่ในส่วนที่ดีงามเท่านั้นที่ถือว่ามาจากพระผู้เป็นเจ้าเช่นท่านปฏิเสธว่า สภาพในรกนั้นไม่ได้เกิดมาจากพระผู้เป็นเจ้าท่านถือว่าสภาพในรกเกิดจากบาปกรรมของมนุษย์เองอย่างนี้เป็นต้นอันหนึ่งเท่าที่ข้าพเจ้าสังเกตมาโดยตลอดไม่มีข้อความตอนใดที่ท่านโรเบิร์ตฮิวเบนสันกล่าวว่าวิญญาณที่มีอยู่ในตัวคนนั่นแหละคือผู้ที่สร้างตัวเขาขึ้นมาท้งนี้ก็เพราะท่านได้เข้าใจอยู่ก่อนแล้วว่า ส่วนที่ดีงามทั้งหลายย่อมเกิดมาจากพระผู้เป็นเจ้าส่วนสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์เองท่านไม่เข้าใจความจริงที่ว่าวิญญาณเป็นผู้สร้างชีวิตท่านยังไม่เข้าใจกฎของกรรมอย่างลึกซึ้งไม่เข้าใจในเรื่องไตรลักษณ์ไม่เข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นหลักวิชาธิท่านอธิบายไว้ในที่บางแห่งจึงรู้สึกว่าค่อนข้างจะมั่วหรือขัดแย้งกันเอง ตามหลักพระพุทธศาสนาถือว่าการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องชีวิตนั้นถ้าเข้าใจเรื่องวิญญาณโดยกระจ่างแล้วเรื่องความเร้นลับต่างๆของชีวิตก็จะเข้าใจได้โดยง่ายจะได้หลักเกณฑ์ที่แน่นอนเพราะวิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลายและที่สําคัญที่สุดก็คือถ้าหากยังเข้าใจอยู่ว่าวิญญาณเป็นอัตตาก็ไม่อาจที่จะรู้แจ้งความจริงของชีวิต และไม่อาจที่จะถอนความเชื่อถือที่เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าออกไปได้เพราะเหตุผลที่ชวนให้เชื่อว่ามีพระผู้เป็นเจ้านั้นก็มีอยู่เป็นอันมากหมายเหตุข้อที่สองจิตสำนึกหรือ mind จิตสำนึกหรือมายนั้นขึ้นอยู่กับจิตใต้สานึกหรือไร้สานึกในวงเล็บสปิริจิตอันเป็นส่วนวิบากข้อความในภาษาอังกฤษตอนนี้ถ้าหากจะแปลาตามศัพท์กันจริงๆจะต้องแปลว่าจิตหรือความรู้สึกนึกคิดที่แสดงออกมานั้นขึ้นอยู่กับกายทิพย์หรือมาจากกายทิพย์หรือเป็นการแสดงออกของกายทิพย์ เพราะสำนวนในภาษาอังกฤษตรงนี้มีว่า the mind belongs to the spirit body อีกสำนวนหนึ่งท่านกล่าวไว้ว่ากายเนื้อเป็นแต่เพียงพาหนะสำหรับให้กายทิพย์ได้ใช้ชีวิตเดินทางไปในโลกมนุษย์ข้อความในภาษาอังกฤษทั้งสองประโยคนี้ถ้าหากผู้ที่อ่านหนังสือโลกทิพย์ไม่ได้อ่านโดยตลอดทั้งเล่มแล้วก็ยากที่จะแปลความหมายได้ถูกต้อง การที่ผู้แปลได้แปลไว้ว่าจิตสำนึกขึ้นอยู่กับจิตใต้สำนึกหรือไร้สำนึกนั้นเป็นการแปลโดยถอดความเพื่อให้ผู้อ่านที่เคยชินกับหลักในพระพุทธศาสนาเข้าใจง่ายและเพื่อให้สอดคล้องกับข้อความต่อมาที่กล่าวว่าประสบการณ์ทั้งหลายที่เราได้เสวยหรือผ่านไปในชีวิตประจาวันของเรานั้นได้ถูกจารึกไวอ้อย่างไม่มีผิดพลาด และยังไม่มีวันลบเลือนไปได้ลงที่จิตส่วนไร้สำนึกหรือ the subconscious mind โดยอาศัยผ่านทางเครื่องมือของทางร่างกายคือมันสมองตามหลักในพระพุทธศาสนากล่าวว่ากายเนื้อคือ physical body ก็ดีกายทิพย์คือ spirit body ก็ดีทั้งสองอย่างนี้ก็เกิดมาจากวิญญาณ แต่ถ้าจะพูดให้ชัดก็ต้องพูดว่าเกิดมาจากวิบา ก, กรรมซึ่งมีอยู่ในวิญญาณตรงนี้โปรดสังเกตให้ดีว่าท่านโรเบิร์ตฮิวเบนสันถือว่าจิตหรือไม่เกิดมาจากกายทิพย์และถือว่ากายเนื้อเป็นพาหนะของกายทิพย์การที่ท่านเข้าใจเช่นนี้ก็เพราะท่านไม่ทราบถึงเรื่องวิญญาณปฏิสนธิ ไม่ทราบถึงเรื่องวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปแต่อย่างไรก็ดีแม้คำพูดตอนแรกของท่านจะไม่ตรงกับหลักในพุทธศาสนาแต่ความหมายที่ท่านอธิบายต่อมานั้นก็แสดงให้เห็นว่าเข้าใจตรงกับหลักในพุทธศาสนาด้วยเหตุนี้จึงได้แปลว่าจิตสํานึกนั้นขึ้นอยู่กับจิตใต้สํานึก มาเหตุข้อที่สามเมื่อเขาเริ่มหายใจเป็นครั้งแรกในโลกสภาพแห่งวิญญาณของเขาก็ได้แสดงอาการออกมาพร้อมกันเลยทีเดียวหมาเหตุข้อนี้ซึ่งอยู่หน้าแปดผู้อ่านจะต้องย้อนไปอ่านข้อความตอนนี้ตั้งแต่ย่อหน้ามาแล้วท่านจะได้แนวความคิดว่าพวกชาวตะวันตกมีทัศนาเกี่ยวกับคนที่ตายไปแล้วอย่างไร และเพราะเหตุที่ชาวตะวันตกโดยทั่วไปมีทัศนะดังที่กล่าวไว้นี่แหละจึงทําให้ชาวตะวันตกส่วนมากไม่สนใจศึกษาค้นคว้าชีวิตหลังจากตายเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีสาระแนวความคิดอันนี้ได้มีอิทธิพลมาถึงชาวตะวันออกด้วยเนื่องจากพวกชาวตะวันออกส่วนมากที่มีฐานะดีพากันไปศึกษาหาความรู้จากทางตะวันตกผิดกับสมัยก่อนที่คนในเอเชีย ยังไม่นิยมไปศึกษาในทางตะวันตกพวกเอเชียส่วนใหญ่มีแนวความคิดถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องชีวิตหลงังจากตายจนกระทั่งเห็นเป็นของธรรมดาและยอมรับว่าชีวิตหลงังจากตายก็มีความสำคัญไม่น้อยกว่ามนุษย์และในบางกรณีก็ถือว่าสำคัญยิ่งกว่ามนุษย์แนวความคิดของชาวตะวันตกอันนี้โปรดสังเกตให้ดีว่า มีอิทธิพลครอบงาโลกมนุษย์ปัจจุบันไม่น้อยเลยพวกนี้ยอมรับแต่เพียงว่าวิญญาณจะแสดงบทบาทก็ต่อเมื่อตายแล้วถ้าหากยังมีชีวิตอยู่วิญญาณไม่ได้แสดงบทบาทอะไรอันนี้นับว่าเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนเหล่านี้ไม่อาจจะเข้าถึงเรื่องชีวิตหลังจากตายคนเหล่านี้ไม่รู้ว่าในชีวิตประจาวัน วิญญาณก็ได้แสดงบทบาทออกมาตลอดเวลาและตาเห็นก็คือวิญญาณเห็นหูได้ยินก็คือวิญญาณได้ยินสมองนึกคิดก็คือวิญญาณนึกคิดการเคลื่อนไหวหรือการทำงานของอวัยวะทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับวิญญาณทั้งสิน้นความจริงข้อนี้พวกชาวตะวันตกส่วนมากไม่รู้และไม่เฉลียวใจเรอไปยึดมั่นด้วยความเข้าใจผิดเส้นแล้วว่า ความรู้สึกนึกคิดต่างเกิดมาจากสมองเกิดมาจากประสาทอาวัยวะต่างเคลื่อนไหวหรือทางานได้ก็เพราะระบบประสาทเป็นผู้ควบคุมความเข้าใจผิดอันนี้เองที่เป็นสาเหตุสำคัญทำให้คิดไม่ออกถึงชีวิตหลังจากตายแม้จะมีคนที่เขารู้จริงๆมาอธิบายให้ฟังก็ไม่อาจจะเข้าใจได้เพราะในใจของเขาจะมีข้อแย้งต่างที่เกิดจากความเข้าใจผิด อันนี้ข้าพเจ้าได้หมายเหตุข้อนี้ไว้ก็เพื่อเป็นข้อสกิดใจและอีกประการหนึ่งขอให้ท่านสังเกตคำพูดที่ท่านโรเบิร์ตฮิวเบนสันกล่าวว่าเมื่อเขาเริ่มหายใจเป็นครั้งแรกในโลกทิพย์สภาพแห่งวิญญาณของเขาก็แสดงอาการออกมาพร้อมกันเลยทีเดียวคำพูดประโยคนี้แสดงให้เห็นว่าท่านโรเบิร์ติวเบนสัน ก็มีความเข้าใจตรงกับหลักพระพุทธศาสนาที่กล่าวว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดรูปมาตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิบรรดาความรู้สึกนึกคิดต่างๆซึ่งจะเป็นไปดยรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวก็ตามปรากฏการเหล่านี้ตามหลักพระพุทธศาสนาถือว่าเกิดมาจากวิญญาณทั้งสิน้นไม่ใช่เกิดมาจากสมองหรือระบบประสาท